อูได้บรรลุพึงเห็นเองไม่ประกอบในการและเอหิปัสสิโกควรเรียกให้มาดูได้ควรทำความเข้าใจในบทว่าเอหิปัสสิโกนี้ให้ต่อเนื่องกับะกาลิโกไม่ประกอบในการเวลา ตามที่ได้อธิบายมาแล้วก็พึงสรุปบทว่าอากาลิโกไม่ประกอบเรวยการเวลาโดยเป็นสั จ, จธรรมธรรมที่เป็นของจริงของแท้ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้จึงเป็นของจริงของแท้ที่ตั้งอยู่ดำรงอยู่ไม่มีการเวลา ธรรมะคือคําสั่งสอนอันเรียกว่ า, าศาสนาธรรมหรือพุทธศาสนาซึ่งตรัสแสดงสัจธรรมที่ในตรัสรู้สั่งสอนก็เป็นอมาตะวาจาวาจาที่ไม่ตายดังพระพุทธภาสิทธิสัสไว้ว่าตรัจจ์แลเป็นวาจาที่ไม่ตาย คือคำสัตว์เป็นวาจาที่ไม่ตายและตรัสไว้ว่าธรรมะของสัตธบรุษทั้งหลายไม่เข้าถึงชราคือความแก่เก่าชำรุดทุดโศงส่วนธรรมะที่เป็นปริยัตยิซึ่งหมายถึงว่าการสนับตรับฟังการอ่าน การท่องบนจำทรงการเพ่งด้วยใจพินิษพิจารณาขบเจาะด้วยทิฏฐิลงความเห็นคือทำความเข้าใจให้ถูกต้องซึ่งทรงอยู่ด้วยสัญญาความจำหมายในใจของตนยอมประกอบด้วยการเวลาเพราะสัญญาคือความจำนั้นไม่เที่ยงต้องเกิดต้องดับ จำได้ลืมได้หรือว่าจำได้ตลอดชีวิตสิ้นชีวิตแล้วก็ดับไปพร้อมกับนามารูปที่แตกดับในโซนที่เป็นปฏิบัติธรรมก็เป็นสิ่งที่ปฏิบัติเพื่อเห็นได้ผลบรรลุถึง ภูมิเป็นที่บรรลุการปฏิบัติที่เป็นเหตุและผลคือการบรรลุ ก, ก็เป็นสิ่งที่เกิดดับเพราะเมื่อบรรลุถึงภูมิที่บรรลุการปฏิบัติเพื่อบรรลุและผลคือการถึงก็เป็นอันุสิ้นสุดก็ประกอบด้วยการเวลาแต่ว่าภูมิที่บรรลุอันเป็นภูมิที่สุดที่เรียกวันิพาน เป็นภูมิที่ตั้งอยู่ดำรงอยู่เป็นอาการลิโกไม่ประกอบในการเวลานี่ในความหมายของคำว่าอาการลิโกไม่ประกอบในการเวลาและการลิโกรประกอบในการเวลาที่ประกอบกันอยู่อีกอย่างหนึ่งอาการลิโกในความหมายที่ปฏิบัติบรรลุผลได้ ไม่มีอะไรขัน้นทุกการทุกสมัยเมื่อครั้งพุทธกาลในเวลาต่อมาในบัดนี้และต่อไปก็เช่นเดียวกันเมื่อบรริบั ต, บตในเหตุก็บรรลุผลทันทีผลที่บรรลุนั้นบังเกิดขึ้นสืบจากเหตุต่อจากเหตุทันทีไม่มีขัน้น อันหมายถึงภูมิชั้นของตนของจิตใจหรือภาวะของตนของจิตใจดังที่ได้กล่าวแล้วว่าทาชั่วเมื่อใดก็เป็นคนชั่วขึ้นทันทีคือภูมิชั้นภาวะของตนของจิตใจชั่วขึ้นทันทีทาดีเมื่อใด ภูมิชั้นของตนก็ดีขึ้นทันทีเป็นคนดีขึ้นทันทีและเมื่อก่อทุกขสมุทัยขึ้นคือก่อตัญหาอุปาทานขึ้นในสิ่งใดเมื่อใดก็เป็นทุกข์ในสิ่งนั้นเมื่อนั้นทันทีดับตัญหาอุปาทานได้เมื่อใดก็ดับทุกข ได้ทันทีสืบต่อกันไปเหตุผลซึ่งเป็นขั้นปฏิบัติภายในกเกี่ยวก่ภูมิชั้นของตนของจิตใจภาวะของตนของจิตใจดังกล่าวมานี้เป็นอาการลิโกไม่ประกอบด้วยการเวลาดังนี้คือการให้ผล บางเกิดขึ้นสืบต่อจากเหตุที่ทำทันทีไม่มีขั้นนี้เป็นอาการลีโกในความหมายเกี่ยวแก่การให้ผลเครื่องต่างจากการให้ผลของต้นไม้ตามริบเรียบเทียบไว้ว่าต้องมีระยะการเวลาให้ผลแต่ว่าธรรมะที่ปฏิบัตินั้นเมื่อปฏิบัติเหตุก็ให้ผลทันที เป็นเหตุเป็นผลที่ต่อกันทันทีไม่มีขั้นดังกล่าวเว้นแต่ผลที่เป็นภายนอกเป็นส่วนที่ร่างกายยังพึงได้รับอันเกี่ยวแก่สิ่งแวดล้อมทั้งหลายเกี่ยวแก่บุคคลภายนอกเกี่ยวแก่โลกกัธาตุภายนอกดังที่ได้ยกเอาธรรมะสมาทานสีอย่างขึ้นมาแสดงไว้แล้วนั้น อันนับว่าเป็นผลภายนอกโดยว่าผลที่เป็นภายนันนั้นภายในนั้นบังเกิดต่อจากเหตุที่ปฏิบัติทันทีดังกล่าวตรงนี้จึงจะต่อถึงพระพุทธถึงพระธรรมคุณบมดว่าเอหิปัสสิโกควรเรียกให้มาดูซึ่งฟังดูคล้ายๆกับว่าเรียกใครๆให้มาดูได้ ให้มาพิสูจน์ได้ว่าเป็นศัจธรรมเป็นของจริงเป็นของแท้แต่ว่าอีกความหมายหนึ่งสําหรับผู้ปฏิบัติธรรมนั่นคืงเข้าใจว่าคึงเรียกตนเองนี่แหละให้มาดูก่อนให้ตนเองเห็นเสียก่อนให้ตนเองรู้เสียก่อนส่วนการจะเรียกผู้อื่นให้มาดูโดยการสั่งสอนบอกกล่าวนั้น เป็นเรื่องภายหลังเพราะฉะนั้นความสำคัญของคำว่าเอฮิปัสติโกจึงอยู่ด้วยจึงอยู่ที่ตนเองของทุกทุกคนพึงเรียกตนเองให้มันดูหรือจะพูดว่าจะต้องเรียกตนเองให้มันดูจึงจะเห็นว่าธรรมะีิประภูมิประภาคเจาตรีแล้ว เป็นธรรมะอันภูปฏิบัติภูได้บรรลุพึงเห็นเองเป็นธรรมะไม่ประกอบด้วยการเวลาดังที่แสดงมาแล้วโดยลำดับจนถึงบทสรุปของอากาลิโกที่กล่าวม า, าหมายถึงสัจธรรมและก็หมายถึงการให้ผลของธรรมะที่ปฏิบัติปฏิบัติเมื่อใดก็ให้ผลเมื่อ น, นั้น ไม่จะไม่จําเป็นจะต้องถึงขั้นอริยมรรอริยผลที่เป็นมรรคผลสามัญคือที่สามั ญ, ญชนปฏิบัติกันอยู่ก็เช่นเดียวกันดังที่ได้กล่าวมาแล้วเมื่อทำชั่วเมื่อใดก็เป็นคนชั่วขึ้นเมื่อนั้นทําทําดีเมื่อใดก็เป็นคนดีขึ้นเมื่อนั้นอันเป็นผลที่เป็นภูมิชั้น ของตนของจิตใจแต่ว่าใครจะรู้จะเห็นดังนี้ได้ก็ต้องมาถึงบทว่าเอหิปัสสิโกต้องเรียงตัวเองให้มาดูคือมาดูที่กายที่วาจาที่ใจที่จิตของตนเองอาศัยคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องสอง่งเพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนให้พิจารณาดูตนเองดูกายดูวาจาดูใจดูจิตตนเองเหมือนอย่างใช้แว่นส่องส่องดูหน้าตนเองซึ่งคำสั่งสอนของพระองค์ในข้อนี้ก็ทรงมุ่งถึงว่าใช้ปัญญา ของตนนี่แหละพิจารณาเหมือนอย่างใช้แว่นส่องพิจารณาหน้าของตนเองและในการนี้ก็อาศัยคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสสั่งสอนให้ปฏิบัติดังนี้เพราะฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี้เอง ที่เป็นสวากขาตธรรมธรรมะที่พระองค์ตรัี้แล้วเป็นเหมือนอย่างแว่นส่องพิจารณาตนของทุกๆคนดุะนั้นเมื่อฟังคําสั่งสอนของพระองค์ได้ปัญญาความรู้ในคําสั่งสอนของพระองค์หรือว่าได้ศรัทธาความเชื่อในคําสั่งสอนของพระองค์ ก็นำเอาคำสั่งสอนของพระองค์นี้มาเป็นแว่นส่องพิจารณาดูที่ตนเองตามที่ทรงสั่งสอนนี่แหละคือการที่เรียกตนให้มาดูโดยใช้แว่นส่องของพระพุทธเจ้าคำสั่งสอนมาเป็นวั่นสำหรับส่องดูตนเองเหมือนอย่างใช้แว่นส่องส่องดูเงาหน้า หรือกระจกเงาสองดวงสองดวงหน้าของตนเองและเมื่อนำมาส่องดังนี้ก็จะได้มองเห็นตนเองเาเป็นอย่างไรในข้อนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนพระราหุลซึ่งเป็นพระโอรสพระองค์เดียวก่อนจะเสด็จออกสรงพรนวด ความย่อที่ทรงสั่งสอนในข้อนี้พระพุทธเจา้าได้ตรัสสอนพระราหุลซึ่งเป็นพระโอรสพระองค์เดียวก่อนแต่เสด็จออกสงผลหนดความย่อที่ทรงสั่งสอนก็มีแสดงไว้ว่าพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปสู่ที่พัก องพระราหุลเมื่อพระราหุลเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จมาแต่ไกลก็ตองก็ตั้งอาสนะสาหรับประทับนั่งไว้ถวายและเตรียมน้ําล้างพระบาทไว้ถวายเมื่อเสด็จมาถึงพระพุทธเจ้าก็ประทับนั่งบนอาสนะและทรง ยกขันน้ำล้างพระบาทแต่ว่าทรงเหลือน้ำในขันไว้น้อยหนึ่งกระถามพระราหุลว่าน้ำในขันที่เหลืออยู่นั้นมากหรือน้อยพระาหุลก็กราบทูลว่าเหลือน้อยแล้วพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าความละอาย ในการพูดเท็จท่านรูของผู้ใดไม่มีความเป็นสมณะของผู้นั้นก็เหลือน้อยเหมือนอย่างน้าที่เหลือน้อยในขันล้างพระบาทนั้นรั้นจัดแล้วตรวทรงเทน้ำในขันที่เหลือนั้นหมดก็ตัดสอนก็ตรัสถาม ก็ตรัสสอนพระราหุลต่อไปว่าความละอายในการพูดเท็จท้งรู้ไม่เมแก่ผู้ใดผู้นั้นความเป็นสมณะของผู้นั้นก็ไม่มีเหลือเหมือนอย่างน้ำที่ไม่มีเหลืออยู่ในขันน้ำนั่นครั้นแล้วก็ทรงความขันน้ำลงตรัสถามแล้วก็ตรัสสอนพระราหุล ต่อไปอีกว่าความละอายในการพูดเท็จทั้งรูปไม่เมแก่ผู้ใดความเป็นสมณะของผู้นั้นก็เหมือนอย่างขันที่คว่านั้นแล้วก็ทรงหงายขันนั้นขึ้นอีกซึงเป็นขันที่เปล่าว่างเปล่าไม่มีน้ำก็ตรัสถามพระราหุลแล้วก็ตรัสสอนต่อไปอีกว่า ความละอายในการพูดเท็จทั้งรู้ไม่มีแก่ผู้ใดผู้นั้นก็เหมือนอย่างขันน้ำเปล่านั่นดังนี้เพราะฉะนั้นจึงได้ตรัสสอนให้ศึกษาว่าเราจักไม่พูดเท็จทั้งรู้เพราะว่า ผู้ใดพูดเท็จทั้งรูพระองค์ตรัสว่าบาปอะไรอะไรที่พูดนั้นจะไม่ทำนั้นหามีไม่ในครั้งนั้นพระอาจารย์ได้แสดงว่าพระหุนท่านยังมีชนพันษาน้อยเรียกว่ายังอยู่ในภาวะเป็นกุมารหรือเป็นเด็กจึงได้ตรัสสอนไว้ยอย่างเข้มงวด ให้สำรวมระวังวาจาอย่าพูดเท็จแม้เพื่อที่จะหัวเราะ ก, กันเล่นแล้วก็ได้ตรัสถามอีกว่าวันสองนั้นมีไว้เพื่อประโยชน์อะไรพระราหุลก็กราบทูลว่ามมไว้เพื่อสองพิจารณาพระองค์จึงได้ตรัสสอนว่า ก็พึงพิจารณาพึงพิจารณากายกรรมมจีกรรมมโนกรรมของตนทั้งในเวลาก่อนทำก่อนพูดก่อนคิดทั้งในเวลาที่กำลังทำกำลังพูดกำลังคิดทั้งในเวลาที่หลังจากที่ได้ทำได้พูดได้คิดไปแล้วคือเมื่อใครปรารถนา จะทำจะพูดจะคิดอะไรก็พิจารณาพิจารณาก่อนอว่าการที่จะทำำําคําที่จะพูดเรื่องที่จะคิดนั้นเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนหรือไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นหรือไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งตนทั้งผู้อื่นหรือไม่ เป็นอกุศลให้เกิดทุกท์โทษให้เกิดทุกเป็นวิบากหรือว่าเป็นกุศลให้เกิดสุขเป็นกําไรให้เกิดสุขเป็นวิบากเหมือนอย่างเอาแว่นมาส่องดูหน้าของตนและเมื่อพิจรารณาพิจรารณารู้ว่าการที่คิดจะทําคำที่คิดจะพูด เรื่องที่คิดว่าจะคิดเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นเป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งตนทั้งผู้อื่นเป็นอกุศลให้เกิดโทษทุกมีทุกเป็นวิบากก็จงเว้นเสียไม่ทําไม่พูดไม่คิดแม้ว่าอาจจะพูดจะทําจะคิดได้ ก็ไม่ทำไม่พูดไม่คิดแต่ถ้าไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองคือทั้งตนทั้งผู้อื่นเป็นผุศสนมีุขเป็นกำไรมีุขเป็นวิบากก็จงทำจงพูดจงคิดแม้ในขณะที่ กำลังทากำลังพูดกำลังคิดอยู่ก็ให้พิจารณาพิจารณาไปเช่นเดียวกันถ้าเป็นฝ่ายอากุศลให้เกิดโทษทุกข์ <c oughs> ก็เลิกเสียถ้าเป็นกุศลให้เกิดสุขเป็นกำไรก็ ทำพูดคิดต่อไปแม่ในการที่ทําแล้วในคําที่พูดแล้วในเรื่องที่คิดไปแล้วก็ให้พิจารณาพิจารณาว่าเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลให้เกิดโทษทุกข์หรือให้เกิดสุขเป็นกําไรถ้าเป็นอกุศลให้เกิดโทษทุกข์ก็บอกก็เปิดเผย จะทำให้แจ้งในพระศาสดา ห, หรือในสพรมมจารีซึ่งเป็นวินยูผู้รู้ทั้งหลายแต่ถ้าเป็นกุศลให้เกิดสุขเป็นกำไรก็ให้มีปีติโสมนัสในการที่ทำคำที่พูดเรื่องที่คิดอันเป็นกุศลนั้นและก็ตั้งใจศึกษาปฏิบัติอยู่ ในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันทั้งกลางคืนโดยพุทธเจ้าตรัสสอนให้พิจรารณาพิจรารณาความประพฤติทางกายทางวาจาทางใจของตนดังนี้ในการทั้งสามคือในการก่อนที่จะทำในขณะที่กำลังทำและแม้ทำไปแล้ว รวมถึงพูดคิดด้วยเหมือนอย่างใช้กระจกเงาครั้งก่อนเป็นแว่นส่องแว่นส่องหน้ามองดูหน้าของตนเองเพื่อที่จะได้รู้วานาของตนเองเป็นอย่างไรจะตกแต่งอย่างไรให้งดงามการใช้แว่นส่องคือปัญญาพิจรารณาดูความประพฤติของตนเอง ก็เพื่อที่จะได้รู้ความมระพติตนเองมาเป็นอย่างไรจะได้ตกแต่งความประพฤติตนตนเองให้งดงามด้วยกายกรรมมจีกรรมมโนกรรมที่เป็นฝ่ายกุศลให้เกิดสุขมีสุขเป็นวิบาตพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสต่อไปว่าสมณะพรามทั้งหลายผู้ปฏิบัติ ชรรรกายกรรมมจีกรรมมโนกรรมของตนให้บริสุทธิ์ในอดีตที่ล่วงไปแล้วก็ดีหรือที่จักมีในอนาคตยังไม่มาถึงก็ดีที่มีอยู่ในปัจจุบันก็ดีก็ต้องใช้วิธีพิจรารณาพิจารณาเหมือนอย่างใช้แว่นส่องรูตนเอง ดูความมรดกทั้งตนเองดังที่ตรัสสอนนั่นเพราะฉะนั้นถึงาจะตรัสสอนสรุปว่าจงศึกษาว่าเราจักพิจารณาพิจารณาทำพูดคิดทางกายทางวาจาทางใจดังนี้การปฏิบัติ ด, ดังกล่าวนี้แหละคือเอหิปัสสิโกจงมาดู คือเป็นการที่เรียกร้องตนเองนี่แหละให้มันดูดูความประพฤติของตนเองดูจิตใจของตนเองก่อนจะทำอะไรจะพูดอะไรจะคิดอะไรก็ใช้แว่นส่องพิจารณาพิจารณ า, รณากำลังทำกาลังพูดกำลังคิดก็ใช้แว่นส่องพิจารณาพิจารณาทำแล้วพูดแล้วคิดแล้ว ก็ใช้แว่นสองพิจรารณาพิจรารณาเพื่อที่จะได้ละส่วนชั่วที่เป็นอกุศลเพื่อจิตได้ประกอบส่วนดีที่เป็นกุศลเป็นการชำระตนคือชำระกายวาจาใจชำระจิตของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสการปฏิบัติในสติปัฏฐาน ก็เป็นการปฏิบัติที่เป็นเอหิปัสิโกท่านจงมาดูเจ้าจงมาดูคือเป็นการเรียกตนเองให้มาดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมการที่มาดูกำหนดก็เป็นสติใจตั้งกำหนดก็เป็นสมาธิรู้ก็เป็นปัญญาหรืญาณ กำหนดล่มให้ใจเขาออกเป็นสติและข้อต่อต่อไปก็เป็นสติและก็จะเป็นสมาธิเป็นปัญญาเนื่องกันไปต้องมีเอหิปติโกดังนี้จึงจะเป็นการปฏิบัติในทิปทานได้ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป